การดูหมิ่นนายหลวงก็คือดูหมิ่นคนข้าบ้านเมืองเพราะนี่เป็นหัวใจสงข้าคือไม่ใชเรื่องเล็กน้อยการดูหมิ่นนายหลวงใครจะหาคนดีเหมือนนายหลวงเนี่ยหาที่ไหนลองไปหาดูสิพูดที่ดูหมิ่นนั่นแหละเป็นคนเก่งขนาดไหนคึงไปดูหมิ่นนายหลวงได้ลงคอนี่เราแยกออกมาพิจารณาอย่างนั้นพีคนที่ดูหมิ่นนั่นแ่ะกับนายหลวงเอามาเทียบกันกันแล้วมันก็เหมือนตัวหูตัวหนึ่งกับทั้งตัวหนึ่งนั่นแหะ ความดีมันหนักมากกว่ากันอย่างนั้นมันใหญ่โทกันมากความดีของนายหลวงเท่ากับช้างตัวนึ่งหรือปู่เขาลูกหนึงความดีของคนนั่นถ้าจะถ้าจะมีบ้างก็เท่าหนูตัวนึ่งแล้วก็ไปดูหนิ่นนายหลวงได้ลงคอเป็นคนประเทศใดเพราะท่านทหลายได้คิดทุกคนทุกหัวใจนะเราหาคนดีอยู่แล้วนี่ เราเองก็อยากเป็นคนดีเมื่อเห็นคนอื่นดีเราควรจะชงเชยสนรเสริญเราแม้เราทำไม่ได้เราก็ควรชมเคยคนดีเพราะโลกอยู่ได้ด้วยของดีคนดีไม่ใช่อยู่ได้ด้วยของของชักคนชั่วนี่ล่ะเป็นกระทู้ข้อหนึ่งเห็นเรื่องใหญ่โตอยู่มากการดีหเหมือนในหลวงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคือการทําลายหัวใจของชาติบ้านเมืองและทําลายความดีที่ชาติมุ่งหวังในหลวงเป็นคนที่ดีมากที่สุด เราหาได้ที่ไหนในเมืองไทยเรานี้องสเสด็จมนวลสเสด็จนี่เราก็เคยเห็นไม่ใช่หลือไม่ได้อยู่เลยเหมือนกลางหันเพราะความห่วงชาติบ้านเมืองรักประชาราษฎรเพราะเป็นลูกของท่านแล้วเราจะหาใครได้อย่างในหลวงทําไมที่ประชามิได้ในหลวงในหลวงขอคนคนนั้นเป็นคนประเภทใดพิณาดูดูประกาศความเลวร้ายของตัวเองนั่นแหละ ไห้โลกได้เห็นเราจะว่าเข้าใจว่าจะได้คะแนนสักหนึ่งคะแนนเลยคิบหายผนดีคนคนนั้นความเสียหายปากโตกโตกปากทําลายทําลายทั้งชาติทั้งบ้านเมืองทําลายความดีของคนซึ่งเป็นผู้มุ่งอยู่ด้วกันอยู่แล้วทั้งแผ่นดินทั้งโลกมุ่งต่อคนดีความดีแม้จะของทำมาได้ก็ยังมีความมุ่งหวังยังบูชาคุณของคนดีขเขาลบร่วมใส่ยินดีแม้เราทำน่าด่ก็าตามนี่กับประจำนิษ ในจิตเช่นั้นแล้วแสดงว่าคนนี้เป็นคนที่ทำลายโลกได้อย่างร้ายแรงมากเป็นคนเลวมากอยาถือเป็นทัศนตัวอย่างไม่ดี